เสียงอ่านหนังสือแก่นแท้ของพุทธศาสนาสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ปออประยุตโตหนังสือสรุปคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรได้อ่านได้ฟังสักครั้งในชีวิตหลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วอะไรคือหัวใจพุทธศาสนากันแน่เพราะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนไม่ต่างกันเช่น เว้นชั่วทาดีทําใจให้บริสุทธิ์หรือบางท่านก็สอนว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือพุทธวจนะที่ว่าเราบัญยัตแต่ทุกขและความดับทุกข์เท่านั้นซึ่งสมเด็จท่านจะมาจำแนกแยกแ ย, กแยะให้เห็นว่าแต่ละหลักนั้นสุดท้ายแล้วรวมลงในหลักเดียวกันทั้งหมดแต่เป็นคนละแง่มุมหรือคนละระดับอย่างไรเนื้อหาภายในประกอบที่สองหัวข้อหลัก คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและแก่นธรรมเพื่อชีวิตหัวใจพุทธคืออย่างไรรวมถึงการนำหลักธรรมสำคัญเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตกับคำสอนหลักที่คนรู้จักเช่นเรื่องพระรัตนตรยัยฐานะของพระพุทธเจ้าและที่มาของพระธรรมเรื่องไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเรื่องอริยสัจปฏิจจสมุปบาทไตรลักษ์กรรมตัณหา อายตนะอินซีสันโดดการยานมิตรหลักความไม่ประมาทหลักพึ่งตนได้การพัฒนาคนและสังคมตามหลักธรรมเนื้อหาอาจเป็นเชิงวิชาการที่ผู้มาใหม่อาจเข้าใจยากสักหน่อยแต่ก็จำเป็นมากที่ต้องรู้ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ขอให้ผ่านไปก่อนนะครับมีโอกาสค่อยไปค้นหาศัพท์หรือหัวข้อที่สงสัยต่อไปซึ่งปัจจุบันค้นหาศึกษาได้ง่ายมากจากอินเทอร์เน็ต การได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้ามีรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรและสาระสำคัญคืออะไรแค่ไหนอย่างไรจึงควรใส่ใจศึกษาเพราะมนุษย์เป็นพบเดียวที่ศึกษาและสร้างบารมีทางธรรมได้มากและได้ง่ายที่สุดธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดแน่นอนว่ากว่าจะเข้าถึงได้ก็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร แะบ่มเพราะพื้นฐานไปตามลําดับความรู้ยิ่งขั้นสูงขึ้นก็ต้องยากขึ้นเป็นธรรมดานะครับแต่จะไม่ยากเท่าไหร่สําหรับผู้มีศรัทธาและความเพียรมากพอซึ่งในการเข้าใจธรรมได้จริงนั้นทานกับศีลและสมาธิคือจิตที่สงบ ก, ก็ต้องมีพร้อมระดับหนึ่งด้วยไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะเข้าใจได้จริงหรือเข้าใจได้แค่ท่องจําเท่านั้นแนะนําสําหรับท่านที่ต้องการพ้นทุกข และมั่นใจว่าจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิควรสละเวลาศึกษาหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายให้จบให้ได้สักครั้งเพื่อขยายความเข้าใจในเชิงลึกจากหนังสือเล่มนี้อีกทีก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติภาวนาจริงจังต่อไปซึ่งการเจริญสติจน จ, นจิตผู้รู้ตื่นเห็นจิตนี้เป็นตังหากนั่นคือหลักเบื้องต้นที่จะให้มั่นใจได้ว่าเรารู้ธรรมะจริงและเป็นเป้าหมายที่ควรทาให้ได้ก่อนจากโลกนี้ไปนะครับ อ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวั์ครอบครัวโลติวิกุลจิราภรณ์พัตรสุวรรณนาคารเจ้าภาพรองครอบครัวอิ่มวงศรีครอบครัวสีโพคาครอบครัวอำนาจฐานกิตครอบครัวคณิตวิชากุลครอบครัวกหาสุวรรณสุภกิตนิมมานรเทพชัยเชษสุขุมการจนะนันทนาสิริวัฒนิจชามาโสภาปัญญาโกจัน